ว่างจากการเต้นเมื่อเต้นมากขึ้นเท้าก็ร้อนขึ้นเมื่อเต้นน้อยลงเท้าก็เย็นลงพื้นโลกอนุญาตให้เต้นแรงเต้นกาแต่ก็ไม่ว่าถ้าสมัครใจยืนนิ่ง เราใช้ชีวิตไปเอาสิ่งที่ต้องการชีวิตถูกใช้จนสึกก ร, ร่อนร่อยรอลงทุกวันโดยเราไม่เคยใช้ให้ตัวเองนิ่งดูชีวิตไม่เคยใช้ให้ตัวเองทำความรู้จักกับชีวิตไม่เคยเห็นว่าชีวิตหาได้อยากเป็นอะไรมากไปกว่าความว่างจากการเต้น ถ้าต้องออกวิ่งเสียก่อนเพื่อไล่คว้าสิ่งนั้นหาใช่อะไรอื่นมากกว่าเงากลวงลวงตาไม่ต่างอะไรกับพยับแดดที่เอื้อมอุ้งมือคว้าจับจึงค่อยรับสัมผัสภา พ, ภาพลวงต่อให้เข้าข้างตัวเองว่าพยับแดดตกมาอยู่ในมือเราครู่หนึ่งก็ต้องหันหาพยับแดดอื่นใหม่ เรากับไม่มีวันเชื่อได้ว่าพยับแดดคือภาพลวงตาเป็นแค่มายาล่อใจไม่มีใครจับต้องได้จริงเราพากันพบแต่ความเท็จที่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ความเท็จเลื่อนไหลเร้นตัวไม่กลัวเราจับได้เพราะความเท็จ ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงณแห่งหนตําตำบลไหนต่อให้เหนื่อยล่าสุดฟ้าสุดดินสุดท้ายก็สายตัวขาดเปล่าเราพากันคิดไม่ถึงว่าเพียงเอื้อมไปคว้าความจริงตรงหน้าความจริงถัดไปจะเลื่อนมาให้คว้าต่อเอง ไม่ต้องหาก็ลาเห็นเพราะของจริงย่อมไม่เร้นซ่อนไม่ต้องเหนื่อยเกินก้าวปัจจุบันก็เอื้อมถึง